พระธรรมเทศนากันนี้ท่านพระอาจารย์มหาบัวยาณสัมพโ น, โนุแสดงโปรดกณะมอมหลวงจิตตินพวง์ที่มาจากกรุงเทพเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2568ณวัดตาบ้านตาดัดจังหวัดอุดรธานี ขด้รับเหมือนน้ำที่สะอาดดเครื่องซักผ้าหินจะกระกทั้งหลายให้กลายเป็นของสะอาขึ้นจิตใจมีลักษณะเช่นเดียวกันกับด้รักผษ เมีความสมานความสุขปรกภายาาาาในตัวเองเราะุปเครากับท้านรการทำสุขตระกในตัวเองเรามีทางทำได้ด้วยการใหค้ความบุกคล ท่านมันน่นมะได้เพราะทางนี้เป็นทางที่คือเดือดของสิ่งที่สกปกทั้งหลายและผู้ที่จะยังสิ่งที่สกปกให้เปิดพิษพันธุ์เป็นก็เป็นผู้คิดหนักเช่นเดียวกันทางนี้จึงเป็นทางที่รากลืหรือเดินได้เสะดีวกของสิ่งจะกะปกทั้งหล หากจะเทียบทางภายนอกก็เหมือนดังทางที่ผู้คนชั้นตอนไปมาตลอดเวลาย่ยอมในโลกภูมิังเพราะอาศัยคนเยอย่างผ่านไปมาเสมอมีทางของมนุินที่ผ่านเข้าผ่านออกมีจิตเป็นสถานที่อยู่อาศัย มีจิดเป็นสถานที่เกี่ยวข้องเรื่องอารมณ์กับจิต เ, เป็นไปด้วยกันอย่างง่ายดายแต่วิธีที่จะซักพ่อจิตใจของตนให้เป็นไปต่อความสะอาด น่าดูน่าคุ้จาตนเองและบุคคลผู้อื่นนั้นต้องมีคมาารูยาวาจเป็นผู้ช่วยนะ่งนำสั่งสอนดังนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเหมือนเครื่องซักพอกทั้งหลายมีน้ำเป็นต้นที่ออกจากพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของแห่งธรรมะ นอกจากจะมอบธรรมะให้บรรดาเราทั้งหลายมาปฏิบัติซักก็ตัวอื่นแล้วยังต้องแนะอุบายวิธีให้ทุกอย่างโดยที่พระองค์ท่านแนะนำเองในเบื้องต้นต่อจากนั้นคนมีบรรดาสามบททั้งหลายทําหน้าที่แทนพระองค์ท่าน แัะถ่ายทอดเป็นลำดับรำดามาถึงจูถึงอาจารที่ทำในจิตวิปฏิบัติองค์ของท่านสมควรจะเป็นที่ยึดเหงียอน้ำใจของประชาเนาถถ่ายทอดป็นมาเป็นลนำดับถึงพวกเราจิตใจที่รับการซัพทอดเป็นลำดับด้วยถึงนามความดีตามเพราว่าของพระพุทธเจา้า กลายเป็นจิดใจที่นิ่งเมืองต่อตนเองจะคิดจะตรุงเรื่องการงานใดๆจะพูดจากิริยามตยะการกระทำทุกอย่างกลายเป็นของที่น่าดูไปหมดเพราะเรื่องของใจที่ได้รับการตดสลนทรัพอกมาเต่ถขงขวรแล้ว ทั้งนั่นนักปราดทั้งหลายท่านตึงนิยมการฝึกฝนรวบรวมตนเองใจเป็นเหมือนกับเนื้อผ้าผ้านั้นเป็นสิ่งที่ตนเอง น, นํามาไม่ห่มแม่จะแปดเปลือกข็แปดเปลือนโดยตนเองเป็นผู้ชายลักษณะของจิตที่มีความเศร้าหมองทำให้โลภให้โกรธให้หลง เซลสอมองต่างๆซึ่งเป็นที่เกิดขึ้นแห่งความทุกข์แก่ตัวเองนั้นก่องจากต้นเองเป็นผู้สังสมขึ้นมาเมื่อได้รับการอบรมด้วยวิธีต่างๆ ตามแนวทางที่พระองค์ท่านสอนไว้ใจก็จะค่อยมีค่อยมี ค, ยมความพฉยเมตาชาีความผ่องใสความเยินอกเต็นใจขึ้นมาถ้าเป็นผ้ากอกลาเป็นเนื้อผ้าดีสะอามีสีมิลเมนร์หน้าชยหน้ามุ่งหน้าหและใจเป็นของสำคัญยิ่งกว่า ว่าถูกภายนอกอีกมากมายแต่วิธีอบรมนี้ย่อมเป็นการฝูงธรรมดาธรรมธรรมดานั้นหมายถึงเรื่องของสิ่งที่เคยกินไม่เคยเป็นมาแล้วจึงเรียกว่าเป็นธรรมดาคิดที่เคยเป็นยังไงมาอย่างไรคิที่ถูกดีชั่วไม่ทราบเรื่องราวของตัวเองเพราะความเคยกินที่เป็นมาอย่างนั้น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 บำเพนเพื่อความตรัสรู้มาเป็นลําดับลหดับล้วนแล้วแต่เป็นตามฝืนธรรมดาของพระองค์ เ, เป็นถึงได้ตรัสรู้ิิทีหรืออุบายต่างๆที่พระองค์นำมาแก้ไขหรือดัดแปลงพระองค์จนได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานัน เป็นเรื่องฝืนคติธรรมดาเดียวกับเป็นเรื่องฝืนใจทั้งนั้นการแสด็งออกจากปราศาสตร์การทัดพลาดจากบริษัทบริวารสมบั ต, บติทั้งแผ่นดินนอกจากนั้นยังพระชายาที่เป็นเหมือนดวงหัไทยของพระองค์ท่านและพระลูกหลักทําไมจะไม่เป็นการฝืนคติธรรมดา ต้องเป็นการฝืน อ, อย่างนี้นฝืนจนกระทั่งจะสลบสลายไปกว่าใดแต่เพราะอำนาจความมุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์ซึ่งเป็นธรรมอันเปรื่องและจะเลยลือ้อฟื้นสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายซึ่งเป็นสมบัติอันมีคุณค่ามีพระชายาเป็นต้นของพระองค์ ให้เลยตามเจดิตไปได้ด้วยด้วยความปลอดภยอยัยนั่นเละเป็นเหตุที่ให้พระองค์ท่านได้ฝืนพระองค์อย่างเต็มที่นั่นเบียกว่าเป็นการฝืนเบื้องตน้นฝืนเป็นโลกสะเทือนไปหมดทั่วทั้งแผ่นดินฝืนอันดับต่อไปก็คือฝืนจิตฝืนใจไม่ให้ เป็นอารมณ์ของใหญ่ในบริษัทบริวารสมบัติปราสานสิ่งที่มีคุณค่าทั้งหลายมีพระฉายาและพระรลูกหลักเป็นต้นให้มีความเกาะเกีเ่ยวกังวลกังวลแต่มุ่งหน้าต่อความเพียรเพื่อความกระจัดรู้แน่จะมีความลำบากยากแสนสาหัสในการดู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 เป็นสมบัติที่พระองค์ซึ่งเคยเป็นกษัตริย์เคยส่งก็ต้องฝืนความฝืนทั้งหมดนี้เรียกว่าฝืนคติธรรมดาของใจที่เคยเป็นมาของพระองค์นอกจากนั้นยังจะฝืนจิตฝืนใจให้คิดให้ปรุงให้แต่งถึงเรื่องราวที่จะก่อความกังวล ให้พระองค์ทรงท้อถอยความเพียรและยังหนุนเขาด้วยความอุตสาหพยายามเข้มแข็งทางด้านความภาคความเพียรแม่จะอดรถกยาหารตามประยาติท่านกล่าวไว้ว่า49วันคนในสมัยนั้นมีใครบ้างสามารถเจ้าฝืนพระในร่างฝืนร่างกายของตน อดอาหารได้ถึง49วันเหมือนพระองค์ท่านไม่เคยมีในแผ่นดินของคนสมัยนั้นซึ่งอยู่ในอำนาจทบบามขีของพระองค์ปกครองอยู่ประวัตินี้มีพระองค์เดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าของอ่ารทรงบำเพ็ญเพียรทุกประโยคเป็นการฝืนทั้งนั้น นอกจากนั้นยังสลบสลายถึงสามครั้งแม้จะเป็นเช่นนั้นไม่ทรงท้อพระไถยที่จะถอยเสด็จกลับเข้าสู่พระราชาวังให้กิเลสตัณหาอสาวะครอบทาพระไทยและเป็นผู้จับจองวัตฏะคือความเกิดแก่เก็ดตายอีกต่อไป ที่กล่าวมาทั้งนี้เป็นเรื่องพุทธทางพระนางคัฉานของพวกเราท่านปืนท่านอย่างนั้นไม่ใช่เป็นพระพุทธทเจ้าขึ้นมาอย่างง่ายดายและไม่ใช่เป็นพระพุทธทเจ้าขึ้นมาอย่างวาดมโนภาพเอาเฉยๆคอนนึกแล้วก็ได้เป็นขึ้นมาถ้าหากเป็นเช่นนั้นแล้วพระพุทธทเจ้าจะมี มีอยู่ทุกแห่งทุกคนเป็นได้จนกระทั่งสิงสัตว์ที่เดชานเพราะความนึกนั้นนึกได้ทุกคนไม่เพียงแต่ว่าจะเป็นผู้วิเศษขึ้นมาเฉพาะบุคคล ท, ทั่วไปจิตของสัตว์บางประเภทอาจจะคิดถึงเรื่องของ พ, พธธระพุทธเจ้าเหมือนกันดังที่เราเคยเห็นในตำราเนี่ยความปื้นเช่นนี่แหละ ท่านเรียกว่าฝืนคติธรรมดาสิ่งที่เคยเป็นค่าศึกคือเรื่องของคติธรรมดานั่นเองย่อมกลัวคนที่ฝืนคติธรรมดา่นเเช่นชี้เลตันหาอาสวะซึ่งครองพระไทยของพระพุทธเจ้าอยู่ตั้งแต่กับไหนการใดมาก็ได้ค่อยหลุดลอยออกเป็นลำดับลาดับจนไม่มีอะไรเหลือในพระไทย กายเป็นพระพธธุทธเจ้าขึ้นมาเพราะความฝืนคติธรรมนาที่โลกทั้งหลายจมอยู่นี่เราทั้งหลายได้เปล่งวาจาว่าพุทธทางแทนนางคัจฉามิข้า พ, พเจ้าขอถึงสึ่งพระพุท ธ, ธเจ้าว่าเป็นแสนนะธรรมมังสทนนางคัจฉามิข้า พ, พเจ้าขอถึงสิ่งพระธรรมว่าเป็นแสนนะ สังคังสนณังคัจฉามิขพเจ้าขอถึงซึ่งประสงค์ว่าเป็นชนะจึงควรคำหนึงถึงพระองค์ท่านทั้งวิธีดำเนินได้ฝืนคติธรรมนาไปหนักเบาแค่ไหนและได้ความลำได้รับความลำบากลาบนแก่พระองค์ท่านแค่ไหนเราจะเห็นเพียงว่าการประกอบความภาคความเพียรหรือทําคุณงามความดีเพียงเล็กน้อยจะเป็นเรื่องที่ทํา มีความขยันหมั่นเพียรหรือความกล้าหาญสามารถยิ่งกว่าครูคือศาสดาของเราถ้าความคิดเป็นเช่นนั้นแสดงให้เห็นว่าเราจะเป็นผู้ท้อถอยด้อยในทางการดัดแรลงหรือเข้มแข็งตนเองเป็นลำดับลำดับไปอย่างไรจะเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าตามสเสด็จของพระพุทธเจ้าให้ทัน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 เรายังไม่ได้มีประวัติถึงขนาดนั้นไหนเราจะถือว่าเราเลยครูด้วยความภาคความเพียงความพุทธาพยายางเราต้องย้อนสอนตัวของเราอย่างนี้แล้วจะเป็นไปเพื่อความเข้มแข็งต่อการดำเนินเพื่อปลดเครื้องสิ่งที่เคยเป็นข้าศิกแต่จิตใจท้องตนไปได้โดยลำดับจะยากลำบากขนาดไหน เราไม่ต้องถือความยากความลำบากนั่นมาเป็นอุปสรรคต่อม้วใจของเราจะเป็นการตัดน้ำขั้นทางตนเองหาทางเดินเพื่อความพ้นทุกไปไม่ได้ต้องพยายามแบกว่าวากน้าที่มีอยู่ในหนทางและสองภาคทางออกไปได้เป็นลำดับลำดับด้วยอำนาจแห่งความขยันหมั่นเพียรของเราเราอยู่ที่ไหนการกระทำคุณงามความดีมีทางที่จะทาได้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 เพิ่มความท้อแท้อดเอเข้ามาเป็นเจ้าครองหัวใจของเราแล้วจะหาโอกาสวาตนาอเมนไม่ได้ตลอดกาลทูจะดาเนินตามหลักตามหลักธรรมของพระพุทธิจ้าต้องคำนึงถึงทางดำเนินของพระพุทธิจ้าและพระธรรมที่ปรากฏว่าเป็นธรรมโมปดีโปมีความสว่างสวัย เหนือสิ่งใดๆในโลกหนึ่งทำทั้งนี้เกิดขึ้นมาจากความฝืนคติธรรมนาของพระองค์ทำและพระสงฆ์สาวกที่เป็นคณ ะ, ะที่สามก็ต้องตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยปฏิปทาเครื่องดำเลยไม่ว่ายากไม่ว่าลำบากมีความเพียรเป็นที่ตั้งในจิตการที่ตนเห็นว่าชอบความหลักธรรมของพระพุทธเจา้าไม่ท้อถอยในทางความเพียร ทั้งสามพระระตัตนะนี่เดชเป็นที่ยึดมั่นและเป็นแสนะของเราอย่างยิ่งไม่เพียงแต่ว่าพุทธทางแท่นงังคัจฉามิแล้วก็เป็นอันว่าถึงพระพุทธไจจ ถึงพระพุทธเจ้าด้วยกิริยาอย่างนี้เป็นประโยคอันหนึ่งถึงพระธรรมพระสงฆ์ด้วยกิริยาแห่งความคิดความนึกอย่างนี้เป็นประโยคหรือเป็นก้าวหนึ่งแห่งการนเนินของหลัก้าวต่อไปเพื่อความยิ่งสําหรับตนเองต้องยึดเอาหลักข้อปฏิบัติความขยันหมั่นเพียร เข้ามาเป็นครูสอนตนนี่เป็นก้าวสำคัญแนีเป็นประโยคสำคัญสำหรับผู้จะมุ่งตามเสด็จพระพุทธเจ้าจิตใจถ้าพูดถึงหนึ่งคมดื้อดึงต้องเป็นไปด้วยกัน ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนักบวชและฆระวาวาเพราะมีสิ่งที่ส่งเสริมอยู่ภายในให้แสดงตัวออกมาเป็นความดือ้อดึงดือแข็งกระด้างเหมือนกันไม่ใช่ว่าจิตผู้หนึ่งผู้ใด ท, ที่ปรากฏรูปร่าง ขึ้นมาเช่นเราเช่นทันแล้วจะกลายเป็นจิตที่บอกนอนสอนง่ายและสั่งสมคุณงามความดีใส่ตัวของตัวโดยเราไม่ต้องฝืนอะไรทั้งนั้นไม่มีอย่างต้องอาศัยการฝึกหัดอบรมเสมอยากหรือง่ายเป็นงานประจำของเรางานที่จะก้าวไป วความพ้นทุกข์เป็นลำดับลำดับตามพระองค์ทา่านี้เป็นงานที่มีเกียรติสำหรับเราและเป็นงานตัวอย่างของโลกและธรรม ท, ทั่วไปด้วยเช่นเดียวกับพระพุทธเทจา้าที่เดชทรงบาเพ็ญพระองค์จนถึงความเป็นพระพุทธเทจา้าอันสมบูรณ์ในโลกแล้วยังเป็นบุคนคลนตัวอย่างของโลก ให้ได้กราบไหว้หรือถือเป็นแบบฉบับตลอดมาจนถึงสมัยทุวันนี้ไม่เคยจิตจกเราผู้เป็นลูกศิษย์ของประสาคดก็โปรดได้สนใจต่อการชำระสสางจิตใจของตนให้มีความแยบคายขึ้นไปเป็นลำดับจิตจะ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 รู้ซึ่งกันและกันและแก้ไขกันไปได้ขนาดนี้วันหน้าก็เพิ่มกันขึ้นไปเป็นลำดับทำดับกิเลสตัณหาจะพ่อตัวมาจากที่ไหนบ้างพอที่จะมากลุ่มลุมหัวใจของเราให้หนาแน่นขึ้นไป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 คติที่ดีจะปรากฏขึ้นกับจัตเราก็ถือคตินั้นมาเป็นเครื่องผ้ามสอนเราใบไม้ล่วงลงมาจากขั้วของเขาก็ถือมาเป็นธรรมะเครื่องผ้ามสอนตนเองบากิริยาที่ล่วงมานั้นคือหมดกำลังที่เขาจะตั้งอยู่ได้หรือติดอยู่กับขั้วเมื่อหมดกำลังแล้วก็ต้องล่วงโรยลงไปเช่นนี้ เรื่องชีวิตจิตใจัสัตว์และสังขารก็ย่อมมีสภาพเช่นเดียวกันไม่ว่าสิ่งที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองมีความแปรประจําตนเป็นลําดับลําดับเช่นเดียวกับกังหันหมุนไปไม่หยุดยัง้งจนกว่าจะถึงจุดจุดท้ายของเขาเรื่องสภาพของธาตุของขันเป็นเช่นนั้นตลอดมา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 นี่ที่พระพุทธเจ้าว่าฟังธรรมในหลักธรรมชาติท่านฟังอย่างนั้นใครเป็นครูสอนพระองค์ท่านเหตุใดจึงกลายเป็นศาสต ร, ราขึ้นมาก็าเรานี้มีศาสต ร, ราเป็นครูสอนอยู่แล้วทุกบททุกบาทล่าวไว้ในธรรมะมาแปดหมื่นสีพันระธรรมขันล้วนแล้วตั้งแต่อุบายวิธีที่สอนเราทางนั้นทําไมจึงต้องสอนเหล่าเพราะเรื่องมีอยู่กับเรา ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้งมีอยู่กับเราธรรมะทั้งหมดจึงมาเกี่ยวข้องกับเราถ้าเราน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติดัดแปลงแก้ไขตนเองแน่ย่อมมีทางที่จะหายโรคภยัยทางภายในจิตใจของเราไปได้เป็นลำดับลำดับฉะนั้นเรื่องของปัญญา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 แห่งการอบรมหลัดแปรงหรือซักพอกของผู้มีความเพียร น, นั้นนั้นเรื่องของทุกข์ถ้าเราจะพิจารณาในแง่ไม่ดีทุกก็ยิ่งจะเป็นค่าศึกต่อเราตลอดไปและเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาให้เป็นลำหลักลำหนับถ้าเราพิจารณาตามหลักความจริงของทุกข์จริงๆให้เป็นอุบายของปัญญาแล้วทุกนั้นก็ จะเป็นเหมือนหินรับปัญญาของเราให้คมกร้าขึ้นมาสามารถจะแยกตนออกจากทุกนั้นได้ด้วยอํานาจของปัญญาใจจะทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสุขความสบายไม่ไปเกี่ยวข้องกับทุกขแม้ที่สุดทุกทางใจก็สามารถจะชำระออกได้ไม่เพียงแต่ว่าทุก์ทางท่าทางขันซึ่งพระพุทธเทจ้าและสาวกก็ต้องรับทราบเหมือนกัน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 ก็ทราบกันชัดเจนว่าเป็นลักษณะเช่นไรมันงแล้วจะหาอุบายวิธีแก้ไขทุกขังใจนี้ได้ด้วยวิธีใดเครื่องแก้ทุกขังใจก็คือเรื่องของปัญญาทุกข้างนอกหมดไปทุกข้างในยังมีที่เจนาก็ถึงเรื่องของทุก์ ให้เห็นว่าเป็นของจริงอันหนึ่งอีกเช่นเดียวกันกับทุกทางกายโดยทางปัญญาทุกถ้ามีสาเหตุแล้วจะแสดงตัวขึ้นมาอย่างเฉยเฉยไม่ได้ไม่ว่าทุกทางกายกายจะเป็นทุกข์ขึ้นมาก็ต้องมีสาเหตุที่ทำให้เป็นส่วนบกพร่องของกายขึ้นมาทุกก็ต้องแสดงตัวขึ้นมาตามความบกพร่องหรือตามสาเหตุ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 ไม่มีสติไม่มีปัญญารักษาตนเองปล่อยให้เรื่องของทุกสังสมเรื่องของสมูทายสังสมผิดทุกขึ้นมาตนเองจึงได้รับความทุกข์เพราะเรื่องของสมุทายที่สังสมตนเองโดยอิสะละเสติเซลีซึ่งไม่มีอะไรขั้นกลางห่วห้ามหรือปราบปรามเขานั่นมันมีสาเหตุอย่างนั้นแล้วปัญญาจดจ้องเข้าไปในจุดที่ แสดงตัวกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาจุดนั่นแลเป็นจุดที่ผลิดทุกถ้าเป็นโรงงานก็โรงงานอันสำคัญเราจะทำทลายโรงงานนี้เราจะทำลายด้วยวิธีใดต้องอาศัยสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนทดสอบความเกิดขึ้นความดับไปความคิดดีและคิดชั่วของตนเองความคิดไปถึงเรื่องอดีตอนาคตเป็นเรื่องคิดดีหรือคิดชั่ว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 เรากับสุขกับทุกข์กับความคิดดีคิดชั่วจะเป็นอันเดียวกันนี่ก็หาช่องแก้อีกไม่ได้เหมือนกันเราต้องแยกแยะด้วยสติปัญญาพิจารณาให้รอบคอบเป็นลําดับไปอ้าวดีจะเกิดขึ้นภายในใจก็ให้รู้ดีนิดเป็นจุดอันหนึ่งที่เราจะได้สาวหาเหตุของความดีที่เกิดขึ้นมาอีกทีนเช่นความดีใจเป็นต้น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 เราต้องเดินตามสิ่งที่ปรากฏอันใดปรากฏขึ้นมาไม่ว่าดีว่าชั่วไม่ว่าจะแสดงลักษณะอาการใดๆต้องตามรู้ตามเห็นตามพิจารณาถือจุดหรือถืออาการนั้นๆเป็นทางเดินของปัญญาพิจารณาให้ถี่ถ่วนอย่าได้นอนใจกับสิ่งใดๆเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ยังปรากฏดูกับจิตใจของเราให้เราถือว่า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 ทำมานั่นเรื่องอาการทั้งหลายที่เคยเป็นทางเดินก็จะหุดลอยออกไปไม่มีในเหลือสิ่งที่เป็นจุดหรือภาระเครื่องกดถ่วงจิตใจของเราอยู่ภายในนั้นท่านในชื่อว่าเป็นจุดสมมุิมอันหนึ่งในหลักธรรมท่านกล่าวว่าอวิชชา นั่นก็ได้หลุดรอยออกไปจากใจเพราะอานาจของปัญญารู้เท่าทันนั่นแหละทางเดินของจิตที่จะไปเพื่ออะไรอีกจะไปเพื่อทั้งทางดีและชั่วทั้งทั้งที่เราไม่มุ่งประสงค์ในทางชั่วก็ตามแต่ก็เป็นทะคือออกจากจุดนี้เองเมื่อจุดนี้ได้ถูกทำลายลงไปแล้วทางดีว่าจะให้ดียิ่งกว่านี้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 ก็ไม่มีนั่นชื่อว่าหมดทางโดินทางเดินความหมดทางเดินของสมุดทั้งดีและชั่วนั่นแหละท่านเรียกว่าวิมุตต์เราจะไปหาวิมุตต์ที่ไหนนอกจากจะทําลายสมุดออกจากจิตใจเสียโดยกิ้นเชิงแล้วก็จะกลายเป็นวิมุตต์ขึ้นมาในขณะนั้นแล้วไม่มีที่ไหนเป็นวิมุตต์คาว่าวิมุตต์กับนิพพานนี้เป็นไมพุทของกันและกันใช่แทนกันได้ เช่นเดียวกับการรับทานการฉันการเสร้ายเป็นต้นเป็นไม้พน์ที่ใช้แทนกันได้ซึ่งโลกทั้งหลายทราบทั่วๆไปจะกล่าเพียงคำใดคำหนึ่งก็่ามนี่คำว่าวิมุตติหรือนิพานหรือพระหรหันต์ก็หมายถึงธรรมชาติอันเดียวกันเมื่อจิต ได้เดินสุดฉีดแห่งสมมติทั้งหลายแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตเป็นมีมุดหรือจิตถึงมีมุดเมื่อขันยังอยู่ท่านเรียกว่าได้สําเร็จสัพปาทิเสสนิพัทธจิตสินต้นกิเลสตัณหาอาสะวะหมดความสมมติภายในจิตจิตแต่ความสมมติในธาตุขันยังสมบูรณ์ ท่านเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพัทธจิตก็ถึงมิมุดหลุดพ้นจากสมมติทั้งหลายแล้วด้วยธาตุขันธ์ก็จะสะลายตัวลงไปตามการของเขาด้วยนั่นท่านเรียกว่าถึงอนุอนุปาทิเสสนิพัทธหมดทั้งสมมติภายนอกหมดทั้งสมมติภายใ น, นสมมติภายนอกได้แก่ธาตุขันธ์ สิ้นสุดลงไปได้วยความสลายของเขาสมมุติภ า, ายในได้สิ้นสุดลงไปเพราะอำนาจของปัญญาที่มีความเพียรเป็นเครื่องหนุนนี่เรื่องปัญหาของโลกของธรรมยุติกันแค่หมดสมมุติด้วยอำนาจของการปฏิบัติอย่างนี้ถ้าธรรมชาตินี้ยังไม่สิ้นสุดเมื่อไหร่ธรรมก็ยังไม่สิ้นสุดโลกก็ยังไม่สิ้นสุดจากหัวใจ คำว่าทมคือปฏิปทาเครื่องนำเนินเพื่อทำขั้นสูงขึ้นไปนั้นยังไม่จะต้องนำเนินไปเสมอแต่เมื่อถึงจุดสุดท้ายได้จะสมมติทั้งหลายได้สลายตัวลงไปแล้วนั่นแหละธรรมวุจิตังพรหมจรียมดกิจในพระคมจันทร์หรือเสร็จกิจคมจันท์ เช็ดกิตในพระศาสนาพระมัจ ร, รั์ได้อยู่จบแล้วหมายถึงกิตนี้เองกิตที่เคยเป็นเฉียงเช็ดเท้าเป็นผ้าเช็ดเท้าเป็นเครื่องใช้ของสิ่งทั้งหลายนั้นมาเป็นเวลานานสักเท่าไหร่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 นี่แลการนำเนินตามแบบพุทธังธรรมังแฝงคัจฉ า, าิจะมีจุดจุดท้ายตามที่อธิบายมานันเป็นสมมัติอันล้นค่าของท่านผู้มีความเพียรคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระดังนั้นขอทุกทุกท่านได้นำไป ระดับตนเองในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ได้นำมาอธิบายวันนึ่เราจะระดับตนเราได้แค่ไหนตามกําลังความสามารถของเราทําทก็งามกับเราตามขั้นแห่งความปฏิบัติของเราแค่นั้นชื่อว่าทําแล้วย่อมงามเป็นลําดับไปงามตั้งแต่ตนเรียกว่าอาธิกันยานัเราเริ่มปฏิบัติธรรมในเบื้องตน้น เราก็เป็นผู้งามด้วยธรรมธรรมก็งามในเราเราปฏิบัติในไปในถ้ำกลางเราก็เป็นผู้งามในในธรรมธรรมก็เป็นธรรมชาติที่งามในเราในถ้ำกลางเราปฏิบัติจนถึงจุดสุดท้ายเรียกว่าปริโยสานะกัมยานถ้าธรรมก็ยิ่งงาม ในจิตใจของเราอย่างเต็มที่และเราก็เป็นผู้งามในพระธรรมอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนั่นจริงขอยุติธรรมเทศนาเพียงทง่นขอความสวัสดีมีใครจงเกิ ด, ม, กดมีแกีท่านต้องมาโดยทัา ก, กันเถิด